พระธรรมตามพระใจปิดกครั้งที่หนึ่งร้อยสิบสองด้วยอนิมิตานุปัสนาออกจากสําคัญว่าตั้งมั่นด้วยอปปนิหิตานุปัสนาก็ต้องละเพื่อที่จะออกจากสิ่งเหล่านั้นจนถึงกับ ว, ว่าออกจากสกายธิฐิวิจิกิจชาสีลพัตะปรามาด้วยโสดาปิมัติออกจากกามราฆาพยาปาทะอย่างละเอียดด้วยสกัดหาคามิมัต ออกจากการมราค่าพยาปาทะด้วยอนาคามิมักออกจากบาปอากุศลทุกชนิดด้วยอรหัตตมักจึงจะเริ่มออกจากได้นั้นๆไปถ้าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะก็โอ้โหดีไปหมดเนี่ยนะก็คือเราไปเห็นว่าอันนี้ดีและพอดีก็ยึดติดใช่ไหมก็เพลดิดเพลินไปไม่รู้ว่าเบื้องหลังของสิ่งนั้นๆคืออะไรเอางั้ถามว่าร่างกายของเราเนี่ยมีคุณไหม มีนะโอ้โหอาศัยร่างกายทําให้มีหน้ามีตา ม, มีสวดทรงดีไปที่ไหนยิ้มเย้มหัวเราะร่าเริงสดใสเนี่ยโอ้โดีจริงจงเลยมีร่างกายอันนี้คือส่วนที่ดีถามมโรคมันเกิดเกิ ด, ก ด, กดที่ไหนไที่กายเกิดที่กายนี่แหละโรคภัยไข้เจ็บทุกชนิดในโลกเนี่้นะโรคไม่รู้กี่ร้อยอย่างเนี่ยนะมันเกิดที่ไหนมันไม่ได้ไปเกิดที่ต้นไม้ใบหญ้านะโรคอ่ะมันเกิดที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกี่ยในกระดูกม้ามหัวใจตับไตไส้ปอดนี่แหละไม่ได้ไปเกิดที่ไนะนนห น, น, น, รนรหรอก มีโวกโรคทั้งหลายแหละเกิดทุกส่วนเลยนะส่วนไหนไม่มีโรคบ้างเอาลางังไล่มาหนึ่งตัวอย่างมา ง, งั้นในกายนี่เลยนะไม่มีโรคเลยเบาฟันนี่แข็งที่สุดยังถอนมาแล้วเนาะเ <c oughs> ชื่อถางมุนหมอนดูดิแข็งที่สุดก็ยังถอนออกเลยอ่ะ <c oughs> ส่วนไหนของกายนี้ที่ไม่มีปัญหาไม่มีทุกไม่มีโทษมีทั้งนั้นแหละโรคภัยไข้เจ็บถึงไม่เจ็บก็ชรายัางไงก็ชราก็เข้ามาเลดเบียดเบียนบีบคันในที่สุดมรณะก็ห่ําหัน เพราะฉั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะค่าที่เป็นจริงของการสแสวงหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับร่างกระดูกเหมือนกับหลุมทานเพลิงเหมือนกับชิ้นเนื้อนั่นแหละมันไม่ได้สนุกสนานยาวนานอะไรหรอกแล้วก็เป็นที่หวาดระแวงด้วยเมื่อใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้จะระแวงไผ่ตลอดพระพุทธเจ้ากับพระเจ้าพิมพ์พิสารใครมีความสุขกว่ากันว่างั้น พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทั้งพร้อมเออบิมไปด้วยกามคุณห้าร่ำรวยที่สุดในเมืองราชคฤหกเหมือนกันนะเป็นคนที่รวยมากจริงๆเหมงอนกันพระเจ้าพิมพิสารแล้วมีมหาเศรษฐีที่เป็นบริวารนี่ก็ร่ำรวยมากมายแต่พระเจ้าพิมพิสารนั่งสบายๆ ย, ย, ย่างมีความสุขสักสองสามชั่วโมงเนี่ยากนอนให้มันอิ่มสักอิ่มหนึ่งก็ยากแต่พระพุทธเจ้านั่งมีความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์โกเลยเจ็ดวันได้ พระพุทธเจ้านั่งสุกอย่างเดียวเลยเจ็ดวันไม่มีทุกข์เจือปนแม้แต่นิดเดียวเข้าพระละสมาบัติเจ็ดวันก็ได้จะเอาสงบที่นั้นนีโรดสมาบัติอีกก็ได้ในเรื่ความสุขเนี่ยแตกต่างกันมากมายมหาศาลแต่ข้อย่างว่าสัตว์ทั้งหลายก็เห็นแต่สุขอันพอประมาณสุขเล็กน้อยกามาสุขเนี่ยเป็นสุขเล็กน้อยก็ไม่ได้กล่าวว่าไม่มีสุขอะไรก็มีอยู่อาศัยกามแล้วก็ให้เกิดสุขและโสมนัตอันใดนั้นเป็นอัสาธาของกาม เมื่อเกี่ยวข้องก็ได้ความสุขเหมือนกันได้ความสมานักเหมือนกันแต่โทษของสิ่งเหล่านี้มีมากมายยิ่งนักสัตว์ในโลกนี้เกิดขึ้นมาร่ำเรียนวิชาความรู้เนี่ยนะเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดเพื่ออะไรเพื่อกำลังบางคนก็ประสบความสําเร็จในการเรียนบางคนก็ไม่ประสบความสําเร็จในการเรียนบางคนเรียนไม่จบค่าตัวตายก็มีก็เรียนเพื่อกาลัทั้งนั้นแหละบางคนเรียนจบแล้วมาแสวงหาการมแสวงหาในช่วงแสวงหาบางคนก็หาได้บางคนก็หาไม่ได้ ไม่ประสบความสําเร็จลงทุนแล้วก็ล่มจมตายก่อนก่อนที่งานนั้นจะเสร็จด้วยซ้ําไปบางคนเนาะทำงานเสร็จแต่ไม่มีผลศูนย์โยปนายังว่างเปล่าลงทุนก็ศูนย์หายกําไรก็ไม่งอกเงยทุกอีกกันนะบางคนก็เลยไปกว่านั้นอีกแสวงหาได้มาก็มาทุกในการรักษาดูแลทํายังไงเนาะไฟไม่ไหม้น้ำไม่ท่วมคนจะได้ไม่เยอะไม่แย่งจะได้ไม่ปล้นทํายังไงจะรักษา้ระดับอันนี้เอาไว้ก็ทุกในการดูแลรักษา อเมื่อรักษาแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมีลูกลูกก็ช่วยพลักช่วยล้างเอาไปกลิ้งมีเพื่อนเพื่อนก็โกงเรียก ว, ว่ามีครอบครัวครอบครัวก็หักหลังอะไรลักษณะ น, นี้นะก็ทุกข์อีกเพราะเรื่องนั้นก็เพราะการเป็นเหตุเพราะการเป็นต้นเขาพ่อแม่พี่น้องญาติสนิททะเลาะกันเบาะแวงกันยื้อแย่งกันแย่ง <c oughs> ชิงกันอยู่นั่นแหละก็อาศัยการเป็นเหตุการเป็นต้นเขาหลายคนยอมทําชั่ว ชั่วทางกายชั่วทางวาจาชั่วทางใจแล้วก็ตายไปสู่อาบายทุคติวินิบาตและนรก <c oughs> แล้วก็เกิดเป็นเดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นอสุรกายก็มาจากต้นเหตุแห่งกรรมเพราะมีการมเป็นต้นเขามีการมเป็นตัวบังคับเพราะเหตุแห่งกรรมทั้งนั้นแหละก็ไหลมาทุกคติวินิบาตนรกทั้งหมดก็ไปจากไหนก็ไปจากความเพลดิดเพลินในสิ่งเหล่านี้นั้นเมื่อตามองเห็นเนี่ยนะทำยังไงที่จะนึกถึงคําสอนให้มากที่สุด คำสอนนั่นแหละเป็นอุบายแห่งเนคขมมะอย่างดีเยี่ยมหูฟังเสียงเมื่อไหรก็เนิกถึงคำสอนได้นั่นแหละเป็นเนคขมมะนิกคิดอะไรสักอย่างหนึ่งก็เนื่ถึงคำสอนเนื่ถึงขมมะอันนี้ก็เป็นเนคขมมะอย่างสูงสุดที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเราทั้งหลายให้พ้นจากวัตทุกข์ได้ถ้าหากว่าเมื่อใช้ชีวิตไปใช้ชีวิตไปนิกถึงคำสอนไม่ออก ไม่รู้เลยนะว่าที่สุดอยู่ที่ไหนออกจากสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรออกได้ยังไงเราจะนึกทางไม่ออกเลยหาทางไม่เจอแน่เดินไปเหอะถ้าโลกนี้ถึงที่สุดด้วยการเดินทางเนี่ยนะหรือสีตนหนึ่งเนี่ยเดินหนึ่งก้าวเนี่ยข้ามสมุดได้หนึ่งสมุดไปแล้วก็ใช้เวลาเก้าเดียวนี่นะเดินหนึ่งก้าวเนี่ยได้ข้ามหนึ่งมหาสมุทรเนี่ยจะเดินให้มันพ้นโลกยังไงก็ไม่พน้นจักรวาลเนี่ยไม่พน้นนั้นโลกนี้ไม่ได้พ้นด้วยการเดินทาง แต่โลกนี้จะพ้นได้ยังไงไม่ได้พ้นด้วยการมาและการไปไม่ได้พ้นด้วยการจุติและปฏิสนธิไม่ได้พ้นด้วยการเกิดและการตายแต่โลกนี้คนจะพ้นจากโลกนี้ได้พ้นได้ยังไงโลกพระตถาคตเจ้าตรัสรู้แล้วด้วยปริญญาสามันโลกนี่พระองค์ปริญญาเรียบร้อยแล้วใครควรเบ็ดเสร็จทำวิจัยมาอย่างหมดเกลี้ยงแล้วในโลก แล้วก็โลกสมุทยัยต้นเหตุต้นเขาที่ทําให้เกิดโลกพระองค์พลาดแล้วโลกกนิโรธที่สงบระ ง, งับดับโลกพระองค์เข้าถึงแล้วด้วยสัจชิกาตภะพระองค์เข้าถึงหมดแล้วแล้วก็โลกเรียกว่านิโรธุบายนว่าไ ง, งอุบายเพื่อดับโลกอุบายเพื่อสิ้นโลกอุบายเพื่อถึงที่สุดแห่งโลกพระผู้มีพระภาคนั้นดําเนินพอกพูนและปฏิบัติให้เป็นเปี่ยม บริบูรณ์แล้วเพราะพระองค์จึงเป็นพระตถาคตอราหารันตสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นพื้นฐานที่จะเข้าถึงเนคขมะได้นั้นน่ะคนเหล่านั้นจะต้องรู้จักวัตถุกลางและกิเลสกลามเป็นอย่างดีแล้วก็รู้ถึงว่าเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของสิ่งเหล่านี้ที่จริงนมสดเนี่ยนะก็จะแปลไปเป็นนมเปรี้ยวนมส้มนมส้มก็ไปเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นเปรี่ยนหมดแั้ว น, นะก็ศึกษาที่สุดว่าเบื้องต้นเป็นอย่างไรที่สุดนี้เป็นอย่างไร กายนี้ก็เหมือนกันกายนี้เบื้องต้นเกิดที่ไหนว่านงนั้นนะ่ในวิสุทธิมัทท่านถามว่าเออเบื้องต้นกายนี้เกิดที่ไหนบ่ร่างกายอันนี้ไม่ได้เกิดในกอบัวกอปทุมจงกล น, นี้ไม่ได้เกิดจากแก้วมณีไม่ได้เกิดจากเพชรพลอยอะไรสักอย่างเลยเกิดที่ไหนที่สุดของการเจริญเติบโตของกายนี้เจริญเติบโตมาจนถึงที่สุดแห่งกายนี้อยู่ที่ไหนมันถามว่ามีอะไรน่ายินดีบ้างน้าพิรมชมเชินสักอย่างหนะึ ก็อย่างว่านะถ้าเมาทิ้งกออ็ดีเหมือนกันพูดกับคนเมามพูดอย่ากนะเนี่ยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องอันนะบอกคนเมากับคนสั่งเนี่ยนะเอาคนวิปลาสกับคนไม่วิปลาสคุยกันยากนะ น, นั่นพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้จะคุยกันก็ได้ทุกคนอะไรเพราะว่าทาโลกวิปลาสสิ่งที่โลกบอกสนุกเหมือนนั้นสุขจริงๆพระพุทธเจ้าบอกนั่นแหละทุกจริงๆเลย เห็นตรงกันข้ามกับท่านหมดไม่เป็นไรเนะเรายังไม่สางก็ไม่เป็นไรก็เชื่อว่าเออคนหายไข้มีอยู่นอ ก, อ น, กนึไงทีนี้ปัญญาบารมีนั้นมีความสําคัญมากคือผู้ที่มีปัญญามีความรู้ความเข้าใจแต่ว่าปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็อาศัยอะไรอาศัยการไตอาศัยการถามเข้าไปหาการไตถามสมณะพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตทุกชาติชั้นวันลนะเหมือนเข้าไปไตถามเรียนรู้เหมือนที่สูเที่ยวบินทบาทว่างั้นเลย ไม่เลิกไม่ลาในการสแสวงหาความรู้เป็นคนที่พร่องอยู่เป็นนิดในเรื่องของความรู้ยินดีที่จะมีความรู้พอกพูนเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอย่างหนึ่งว่าเออพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าที่ท่านบำเพ็ญบา ร, รมีบรรลุธรรมได้เพราะธรรมะสองอย่างท่านจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าหนึ่งไม่อิ่มในกุศลว่างั้นไม่สันโดษในกุศลไม่รู้สึกว่าพอเลยกุศลธรรมเนี่ยกุศลจิตนะก็คือไม่รู้จักพอว่าปัญญาเกิดขึ้นเออฉลี่ยเท่านี้พอละ ศรัทธาเกิดแค่นี้พอแล้วิวริยะเกิดแค่นี้พอละไม่มีพอมีแต่คิดจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มกุศลนะไม่ได้เพิ่มมัตถุนะคนละอย่างกันเพิ่มกุศลมีแต่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและไม่ทิ้งความเพียรไม่ทิ้งความเพียรในการาพ่อพูนกุศ ล, ลจิตนั้นๆนั่นแหละธรรมะสองอย่างที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าอันพระองค์พูดถึงปัญญาความรู้ความเข้าใจแล้วก็วิริยะต่อมาวิริยะนั้นเหมือนกับอะไรเหมือนกับราชสีใช่ไหม สีหมรุกราชอย่างนั้นน่ะราชสีนี้เป็นสัตว์ที่องค์อาจสงาผ่าเผยในทุกอิริยาบถเพราะงนั้นไม่มีใครทําให้ราชสีตกใจได้เพรางนั้นคือมั่นใจตัวเองขนาดนั้นน่ะองค์อาจทุกอิริยาบถห้าวหาญทุกอิริยาบถกล้าทุกอิริยาบถผู้ที่บําเพ็ญวิริยะบารมีก็ลักษณะนั้นไม่รู้สึกท้อเลยอย่างนั้นเยก็บอกว่าเห็นมหาสมุทรคิดจะว่ายข้ามได้อ่ะก็บอกมหาสมุทรก็ตั้งอยู่เท่านั้นแต่ว่าใจของท่านเนี่ยมันเกินร้อยอะนะ เกินธรรมดาที่คนธรรมดาจะคิดแบบนั้นคือต้องมีจิตใจเด็ดเดียวมั่นคงขนาดนั้นไม่เลิกไม่ลาเป็นคนที่มีความเพียรไม่เลิกราเหมือนกับที่พระโพธิสัตว์ท่านบำเพ็ญ ท, ทุกขระกิริยาใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าต่อกว่านั้นตายอย่างเดียวนั่นคือที่สุดแห่งความเพียรแล้วถ้าเกินกว่านั้นอีกหน่อยเดียวก็ตายแล้วรู้แล้วว่าชีวิตมีอยู่เท่านั้นะเพราะฉะนั้นท่านทําเกือบตายอย่ะนะถ้าเพิ่มสมมติว่าความร้อนนะถ้าเพิ่มอีก หนึ่งองศาเนี่ยก็ตายแล้วท่านนั่นแหละมันท่านทานถึงเกือบต า, ายอ่ะแล้วท่านก็เลิกเพราะว่ามันที่สุดแล้วหนทางข้อปฏิบัติอันนี้เพมันท่านเป็นคนที่มีใจเด็ดเดียวเพียรพยายามขนาดนั้นไม่ไม่เลิกแล้วก็ถ้าคิดดูนะเป็นกษัตริย์ออกมาค้นหาทางเพื่อสัมโภธิยานอยู่หกปีอ่ะนะถ้าเป็นคนธรรมดาเราเนี่ยออกบวชมาปีสองปีเนี่ยก็ชักล้าแล้วนะเบื่อแล้วอยากกลับบังแล่มารดาพระราหุลก็ยังรออยู่ใช่ไหม อันนี้ก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะไม่ได้มีใจคิดจะถอยกลับแม้แต่ก้าวเดียวเลยตายเป็นตายอ่ะทรานั้เขาบอกว่าการตายในสงครามประเสริฐกว่าการถอยกลับจะประเสริฐอะไรฮนะท่านไม่ได้มีจิตใจคิดถอยแม้แต่ก้าวเดียวเลยในในความคิดของท่านนะแต่ท่านไม่ได้ไปสู้รบตกมือกับใครหรอกท่านสู้ในเรื่องของความนึกคิดเกี่ยวกับการเพียนเพ่งพยายามค้นหาทางเพื่อที่จะตรัสรูร้อริยสัจท่านเพียรพยายามขนาดนั้นความเพียรของท่านเด็ดเดียว เพราะฉะนั้นท่านเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วใจของท่านก็ยังเหมือนเดิมปกติองค์อาจสางาพาเผยในในทุกอิริยาบถเพื่อประโยชน์สุขแก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายถามว่าเพียรพยายามเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะช่วยสงเคราะห์สัตว์นั่นเองแล้วขันติบา ร, รมีของท่านเนี่ยนะคนที่มีความเพียรพยายามเนี่ยนะจะต้องรอได้ทนได้เรียกว่าขันติบา ร, รมีในขันติบา ร, รมีเนี่ยนะอุปมาเหมือนกับว่า แผ่นดินใช่ไหมแผ่นดินเนี่ยนะทนได้ต่อของที่สะอาดและของที่ไม่สะอาดที่เขาเทลงในแผ่นดินเนี่ยนะฉันใดว่างั้นผู้ที่บำเพ็ญขันติบารมีต้องทนได้ในทั้งสการะและนินทาได้รับสุขรับทุกก็ทนได้ได้รับลาบนินทาและสารเสริญก็ทนได้แล้วก็ได้ลาบเสื่อมลาบนินทาสารเสริญสุกทุกขโลกกรรมทั้งแปดประการที่เกิดขึ้นในชีวิต ก็ทนได้ไม่มีใจเป็นอื่นเลยมั่นคงแน่วแน่ไม่หวั่นไหวเหมือนกับแผ่นดินอย่างนั้นแหละเรียกว่าเนคขมมะบา ร, รมีของท่านเพราะฉะนั้นท่านมีจิตใจแน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวในขันติบา ร, รมีเหมือนกับแผ่นดินว่า ง, งั้นเถอะทาใจเหมือนแผ่นดินน่ะแต่เพียรพยายามเลนะเมื่อสัตว์ทั้งหลายทาความผิดให้อะไรให้ ใ, หใจท่านก็มั่นคงเหมือนกับแผ่นดินต่อสู้ต่อไป รับคำชมก็ไม่เหลืองจนเสียงานถูกด่าก็ไม่จนถึงกับเสียกิจก็อยู่ต่อไปได้เรียกว่าเมื่อได้รับเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ทนได้เสมออันนี้เรียกว่าขันติบารมีแล้วขันติของท่านเป็นขันติที่มีสัจจะมีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวพูดอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นที่บอกว่าสัจจะของท่านนั้นเหมือนกับ ดาวประกายเพิกใช่หมดาวประกายเพึกที่ไม่เปลี่ยนทิศทางในการโคจรดาวประกายเพึกที่ไม่เปลี่ยนแปลงในการโคจรเพราะฉะนั้นวาจาที่ท่านกล่าวออกไปอย่างไรก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าพูดว่าจะทำสิ่งนี้เนี่ยนะก็จะทำอย่างนั้นเพราะว่าคำพูดแต่ละคำเนี่ยนะเป็นคำพูดที่มีบารมีข้อหนึ่งถึงข้อหกเป็นพื้นฐานหมดแล้ว ที่ท่านมีสัจจานั้นสัจจคของท่านเป็นไปตามทานศีล เ, เนคธรรมปัญญาวิริยะขันติอ่ะนะเพราะฉะนั้นไม่มีวิธีอื่นแล้วที่จะรักษาบารมีต่อไปนอกจากสัจจคท่านก็เลยสมาทานมุ่งมั่นที่จะรักษาสัจจ์กล่าวคําใดต้องเป็นคํานั้นเพราะไม่มีวิธีอื่นแล้วเพราะวินิจฉัยหมดแล้วว่าตามบารมีทั้งหมดถ้าถูกทำเพราะทําอย่างนี้ถ้าผิดทำเพราะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าพูดอย่างนี้แล้วถูกต้องเนี่ย น, นะยอมตาย แต่ท่านก็จะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนรู้โอกาสรู้บริษัทรู้หมดนะจึงได้กล่าวออกไปไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรสักอย่างแล้วก็พูดแบบนั้นเอาถามว่าสัจจาวาจากับสัจจาในหมู่โจรเหมือนกันหรือเปล่าบอกชาตินี้ถ้าไม่ฆ่ามันไม่รับรองไม่เลิกอยนะไอ้ย่างงี้ไม่เรียวกว่าสัจจาบารมีนะอันนี้ทําลายบารมีแนะ่นอนไม่ได้บารมีอะไรสักอย่างเลยนะก็คือยกตัวอย่างว่า ่สัจจะที่เป็นนี่ก็ต้องเป็นสัจจะที่เป็นไปตามบารมีข้อต้นๆ น, นะไม่ใช่โอ้โหชาตินี้ถ้าไม่ได้ตีหัวคนนี้รับรองไม่ไม่ไม่เลิกแน่วางนั้นอนะไรอย่างนี้ไม่เรียกสัจจะนะเนี่ยสัจจะเหมือนกันแต่ว่าสัจจะอย่างนี้ดูท่าจะไปนระกง่ายเหมือนกันนะไม่ได้ถึงนิพพานอะไรนรกสัจจะแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นสัจจะอันนี้ต้องเป็นสัจจะที่เป็นไปตามอำนาจของฐานศินเนีย่ยคั ม, มะปัญญาวิริยะขันติจึงเป็นสัจจะที่มั่นคง แล้วสัจจะเหล่านั้นเนี่ยนะสัจจะต้องเป็นไปตามอํานาจของอธิฐานใช่ไหมอธิฐานซึ่งอ่วันนี้มาขึ้นบารมีเพิ่มหนึ่งข้อก็อย่างดีครั้งที่แล้วได้แค่สัจจะนี่แหละในบารมีงอกเงยอีกข้อก็อย่างดี้ก็บอกว่าในหน้าสามสิบเก้านะเราเรียนไปถึงหน้าสามสิบเก้าแล้วขยบอีกหน้ากนะ็อย่างดีเนาะมังานเดี๋ยวไม่งอกเงยเลยทวนแต่ของเก่าอย่างเดียว อลำดับนั้นนี่บอกว่ากล่าวถึงพระโพธิสัตว์เนี่ยนะซึ่งกำลังใคร่ครวนทบทวนบารมีของท่านว่ามีธรรมะอะไรบ้างที่จะทําให้เป็นพระพุทธเจ้าท่านพิจารณามาเจ็ดข้อแล้วนะท่านสมาทานที่จะปฏิบัติทั้งเจ็ดข้อแล้วหรือว่ายังมีอีกไหมบอกงั้นลําดับนั้นเมื่อเขาใคร่ครวนยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยคิดว่าธรรมะที่กระทําให้เป็นพระพุทธเจ้าไม่พึงมีเพียงเท่านี้เลยเขาได้เห็นอธิษฐานบารมีข้อที่ ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าดูกรสุเมศบัณฑิตนับจําเดิมแต่นี้ไปท่านพึงบําเพ็ญอธิษฐานบารมีท่านอธิษฐานสิ่งใดไว้พึงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในอธิษฐานนั้นถ้าหากว่าตั้งใจลงในอะไรแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นอ่างนั้นนะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเหมือนอย่างว่าธรรมดาภูเขาเมื่อลมทั่วทุกทิศพัดกระทบอยู่ย่อมไม่สะเทือนไม่หวั่นไหว ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมของตนฉันใดแม้ท่านก็ฉะ น, นั้นเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในความตั้งใจมั่นของตนจกเป็นพระพุทธเจ้าได้นังนี้มองเห็นภูเขานะ่ยไม่ใช่มองหมายถึงต้นไม้ในภูเขานะต้นไม้ในภูเขาเนี่ยลมพัดมากัเปลวว่อนเหมือนกันนะไม่ใช่ต้นไม้ในภูเขานะแต่หมายถึงตัวภูเขาอ่ะตัวตัวหินเลยนะตัวหินตัวดินเนี่ยมั่นคงว่างั้นเถอะ ไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนสะทานด้วยอำ น, นาจลมที่มาจากทิศทั้งสี่วงั้นเพราะฉะนั้นใจของผู้ที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระสัมมาสามัมพุทธเจ้ า, านั้นใจท่านต้องมั่นคงแบบนั้นอธิษฐานจิตเหมือนแผ่นดินเหมือนกับขุนเขาวางนั้นจึงจะสา ม, มารถเป็นพระสัมมาสามัมพุทธเจ้ า, าได้เขาได้อธิษฐานอธิษฐานบารมีข้อที่แปดต้องอธิษฐานเพื่อ อ, อธิษฐานวังนั้นเอออธิษฐานให้อธิษฐานนะ ไม่ใช่ว่ายูู่แล้วอธิษฐานมันจะเกิดเองนะไม่เกิดนะมันต้องสมาทานอธิษฐานให้อธิษฐานเนี่ยเกิดขึ้นสัญญาในสัญญาเคยไดียนว่สัญญาว่าจะต้องจําให้ได้ขอสัญญาว่าจะต้องจําต่อไปอย่างเงี้ย น, นะสัญญาในสัญญาอธิษฐานในอธิษฐานตั้งใจมั่นในความตั้งใจมั่นอย่างเง้นมั่นใจในความตั้งใจทั้งสมาทานทั้งเอานะมัมันเด็ดเดียวถามมาเรื่องราวเหล่านี้เป็นอัตตาไหมบางท่านฟังไม่ดีบอกโอ้นี่มันอัตตาทั้งนั้น เขาเข้าใจไหมว่าจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นอัตตาเข้าใจอย่างนั้นหรือเปล่าเข้าใจไหมว่าจริงๆแล้วสัตว์เนี่ยก็คือจิตจิตก็คือสัตว์นี้อันเดียวกันเขาเข้าใจอย่างนั้นไหมถ้าหากว่าเขาเข้าใจว่าเป็นสัตว์นี้อัตตาเนี่ยเที่ยงและขาดศูนย์เพราะว่ารัฐทอัตตานะรัที่อัตตาจะไม่อยู่แค่อัตตาเฉยๆอัตตานี้มีอยู่ยี่สิบอย่างจะต่อด้วยสัสตฐิทิสิบห้า ต่อด้วยอุเฉททิฏฐิหถ้าสําคัญว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณว่าเป็นอัตตารจริงๆอันนั้นเป็นอุเฉททิฏฐิมีรูปที่ไหนเที่ยงบ้างเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไหนเที่ยงบั่งเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดสําคัญว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอัตตาพวกนั้นเป็นอุเฉททิฏฐิแต่ถ้าพวกใดเข้าใจว่าอัตตาเนี่ยไปอยู่ในนั้นอีกครั้งหนึ่งอันนั้นเป็นตระกูลสัสตตทิฏฐิ เพราะฉะนั้นสากายทิฏฐิมี20เป็นอุเฉททิฏฐิ5เป็นสัสตะทิฏฐิ15เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถามว่าเกี่ยวกับอัตตาไหมไม่เกี่ยวอะไรสักอย่างคือคนเหล่านี้เนี่ยนะเขบอกว่าเห็นความคิดสมมุติว่าอุปมาความคิดเหมือนกับกระแสน้ํากระแสน้ําเนี่ยเราสามารถกําหนดทิศทางให้น้ําไหลได้ไหมจิตของเราก็เหมือนกับกระแสน้ํานี่ยเกิดสืบเนื่องไปลักษณะ น, นั้นแต่คนที่กําหนดทิศทางเดินของน้ําได้อ่ะ ถ้ากำหนดที่ธ i m e เดิมไม่ได้เนี่ยนะเขื่อนจะไม่มีเลยพวกเขื่อนพวกลําน้ําลําคลองเป็นต้นไม่มีถ้าหากว่าจิตนี้ฝึกไม่ได้เนี่ยนะก็แสดงว่าเราเข้าใจคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผิดแน่นอนเพราะมีสัมมาเนนคนหนึ่งใช่ไหมไปเห็นชาวนาเขาไขาน้ําเข้านาของเขาก็ถามอุปชาว่าอุปชาครับน้ํานี่มีใจไหมครับบอกไม่มีอะน้ํามไม่มีใจยังไขเข้านาได้เลยนะเอามาทํานาทําเหมืองทําอะไรได้หมดเลย ไปเห็นช่างสอนเขาดัดลูกสรเนี่ยนะคือเอาไม้ไผ่มาเล้าเล้าเลาเล้าเสร็จก็เอาไปหลนไฟแล้วก็ไม้สองง่ามไม้ง่ามนี่ก็แล้วดัดดักดัดดั ด, ดให้มันตรงเพื่อที่ได้ทําลูกศรได้ถามอุปชาอุปชาครับลูกศรนั่นมีใจไหมครับไม่มีเพราะว่าเออไม่มีเอ๊ย่างดัดได้เนี่ยไปเอกไปเห็นช่างเขาถักเวียนน่ยนะทำล้อเวียนทาอะไรเนี่ยถากถากถากถากแม่ถากเอามาทําเป็นรถได้อย่างง่ามมีจิตก็ถามว่ scale, มาไ ม, ามา้มีใจไหมไม่มี เออขนาดพวกน้ําลูกศรไอ้ไม้ที่มาถาักเป็นเกวียนไม่มีจิตมีใจมันยังฝึกได้เลยทาไมเราจะฝึกใจเราบ้างไม่ได้ท่านก็เลยบอกอุปชาครับเอาบาทท่านไปผมจะกลับแล้กลับไปกุฏิไปนั่งเจริญกรรมฐานเนี่ยนะเพราะท่านเข้าใจคําสอนเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์พระสารีบุตรนั้นไม่ต้องห่วงว่าท่านจะโง่นะไม่ต้องห่วงเลยเพราะท่านก็เลยกลับไปกุฏิเจริญกรรมฐานไม่นานก็เป็นพระอรหันต์ เพราะท่านอาศัยอาจารย์สามอย่างอาจารย์น้ําอาจารย์ไม้อาจารย์ลูกศอนอะไรเงี้นเถอะเขาบอกว่าชาวนาย่อมไขน้ําช่างสอนย่อมดัดสอนช่างถากย่อมถากบัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตนเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีในเรื่องทิศทางของความคิดแล้วเขาสามารถฝึกความคิดได้ถ้าหากว่าคนที่รู้จักกลองอย่างดีเขาสามารถแต่งเสียงกลองได้จะให้กลองไปออกเสียงแบบไหนก็ได้ ถ้าคนที่รู้จักระฆังดีนะสมมุติระฆังที่เรากำลังดังเนี่ยนะถ้ารู้จักเนื้อระฆังวิธีล้อมระฆังอย่างนี้กาหนดเสียงระฆังก็ได้ว่าจะให้ระฆังเสียงแบบไหนและสมควรตีตรงไหนและจะดังอย่างไรนั้นคนที่เข้าใจจิตก็ลักษณะว่าจิตเหมือนกับเสียงเนี่ยนะเขาสามารถกําหนดจิตได้เพราะอะไรเพราะเขารู้ปัจจัยของจิตรู้ทั้งว่าวัตถุที่เป็นปัจจัยของจิตอารมณ์ของจิตอุปนิสัยของจิตแล้วสามารถอธิษฐานจิตว่าจิตต้องเป็นไปตามนี้ ถ้าจิตฝึกไม่ได้ริษแสดงไม่ได้ในพระไตรปิฎกแสดงไว้มากทีเดียวนะครับว่าทําได้นะครับจิตบังคับได้ทําได้ฝึกได้นะครับมีมากมายถ้าจิตบังคับไม่ได้ฝึกไม่ได้ไม่มีพระพุทธเจ้าครับใช่ป่ะแล้วถามว่าขัดกับหลักอนัตตาไหมจิตก็เป็นอนัตตาใช่จิตเป็นอนัตตาเพราะจิตไม่ได้มีสัตว์อยู่ในนั้นเลยแต่จิตเกิดจากปัจจัยความที่จิตเป็นอนัตตานี่แหละจิตจึงบางอย่างเป็นกุศล จิตบางอย่างเป็นอาุศลจิตบางอย่างเป็นวิบากจิตบางอย่างเป็นกิริยาเมื่อจิตเป็นกุศลเนี่ยนะเป็นจิตที่ไม่มีโทษและเจตนาที่เกิดร่วมกับจิตนั้นก็ให้ผลเป็นความสุขเพราะฉะนั้นจิตเหล่านี้เนี่ยสามารถเสริมได้เพิ่มได้เจริญได้ตบแต่งได้อาคุศลจิตก็เหมือนกันละได้ถ้าหากว่าละไม่ได้ผู้าศาสนาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเพราะาศาสนาแห่งการฝึก ปุริสธรรมสารติพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะเป็นผู้ฝึก่ะฝึกศัพท์ทั้งหลายได้อย่างไม่มีใครฝึกยิ่งกว่าเลยนะไม่มีใครฝึกให้ศัพท์ทั้งหลายถึงนิพพานได้เหมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการฝึกถามว่าฝึกอะไรถ้าฝึกกายนะทหารเขาฝึกใช่ไหมฝึกกายเนี่ยนะให้แข็งแกร่งเป็นต้นนี่พวกนักมวยเขาก็ฝึกพวกร่างกายเป็นต้นเขายังฝึกได้เลยแต่ผู้ศาสนาฝึกใจ แต่ฝึกกายเหมือนกันแต่เป็นไปตามศีลสิกขาฝึกกายฝึกวาจาเป็นไปตามศีลสิกขาฝึกจิตตามจิตตสิกขาแล้วก็ฝึกปัญญาตามอธิปัญญาสิกขา <c oughs> ทั้นถ้าฝึกประสบความสําเร็จก็เป็นผู้ที่พ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลได้สามารถที่จะแทงตลอดอริยสัจจะทำได้แถยมยนิดนึงนะฮะถ้าใครมีความคิดว่าอะไรจะเกิดย่อมเกิดนี่เราได้ยินในวงการธรรมะพูดมามากเมื่ออะไรเกิดย่อมเกิด ถ้าใครมีความเข้าใจอย่างนี้เนี่ยนะเป็นการเข้าใจอ น, นัตตาที่ผิดพลาดมากๆเราสามารถที่จะให้เกิดตัวได้ไม่ให้เกิดตัวได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าหมายความต้องเป็นไปอย่างนั้นนะถ้ารู้ปัจจัยดีนะเราสามารถที่ให้เป็นอย่างนั้นได้การที่เข้าใจว่าอะไรเกิดก็ปล่อยมันเกิดเลยเลยไม่ได้แก้ไขอะไรเลยนี่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาแน่นอนเจ้าพระไม่มีเพราะความรู้ปัจจัยนี่แหละทําให้เนี่ยเครื่องเสียงมีเนี่ยนะเพราะรู้ปัจจัย เพราะรู้ปัจจัยนี่แหละข้างบนที่จริงเป็นอิดเป็นหินเป็นทรายนะน่าจะร่วงตกลงมาใช่ไหมแต่ทําไมมาตั้งอยู่ได้อะไม่หล่อธรรมนามาประกายแสงออกมานี่เพราะเขารู้เรื่องปัจจัยอ่าถ้ารู้ปัจจัยก็สามารถประดิษฐ์ประดอยเครื่องบินก็ได้อะไรก็ได้ถ้ารู้ปัจจัยของสิ่งนั้นนั้นเพียงพอจนพอแต่งไม่ได้พินก็แต่งเสียงไม่ได้ของกลองเป็นต้นก็แต่งเสียงไม่ได้เครื่องเสียงนี้ก็ทําให้มันดังขนาดนี้ไม่ได้แต่ฝึกได้ เนีถ้าแม้แต่มนุษย์ทั้งหลายถ้าไม่ได้รับการฝึกก็จะเป็นสังคมป่าเถื่อนแต่นี้ก็อะไรฝึกทั้งกายฝึกทั้งวาจาฝึกทั้งใจฝึกทั้งความรู้สึกนึกคิดเพราะฉะนั้นผู้ที่บรรดาสัตว์ทั้งหลายคนที่ฝึกแล้วประเสริฐที่สุดผู้ที่ฝึกสําเร็จแล้วดีที่สุดว่างั้นเถอะทหารที่ประสบความสําเร็จที่สุดคือทหารที่รับการฝึกจนประสบความสําเร็จนั้นคนในโลกนี้ที่ประสบความสําเร็จคือคนที่ฝึกเรียบร้อยแล้วในสัตว์ทุกๆสัตว์เลยแสดงว่าเขารู้เหตุอย่างดี เขารู้เหตุอย่างดีเลยที่จะทํานี้อะไรให้เป็นอะไรนี่นะเพราะฉะนั้นพระภูทิภาคทรงตัดว่าถ้าไม่มีสมุดไยรยสัจนะพระองค์ไม่รู้จะตัดสรุอะไรตัดไม่ยงั้นเลยนะแสดงว่าเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเรื่องสมุดไทยนีม่มีความสําคัญมากเลยเรื่องพุทธานุสติแล้วก็ตั้งความมุ่งหมายไว้ว่าในชีวิตเหล่านั้นจะต้องเจริญพุทธานุสติ ต้องเจริญให้เป็นสําคัญมากเลยถ้าเราเจริญพุทธานุสติพุทธคุณไม่เป็นเสียดายหน้าเสียดายนะหน้าเสียดายมากและการเจริญพุทธานุสตินี้เป็นสิกขาอย่างหนึ่งนะครับเป็นจิตตสิกขาเพราะจริงๆแล้วเราต้องสิกขาต้องครบสามอย่างศีลสิกขาจิตตสิกขาปัญญาสิกขาผมเองได้ล่วงเลยเรื่อง กิตติศิขามานานแม้กระทั่งศีลศิขาก็เข้าใจผิดมานานเดี๋ยวนี้ลงไปศึกษาใหม่ลงไปลวงลงไปลึกศึกษาพื้นฐานเรื่องศีลใหม่ก็ได้ประโยชน์เยอะมีการสังวรมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องพุทธานุสิีนี่นะครับมีความสำคัญมากเลยท่านเรียนแล้วอย่าลืมนำไปตรึกอย่าลืมนาไปตึกนะครับถ้าตราบใดที่ท่านยังตึกไม่เป็น ก็แทบจะว่าท่านเจริญพุทธานุสติไม่เป็นนั่นนะไม่ได้ลองไปตึกคราวที่แล้วนี่ผมยังจําได้ที่พระอาจารย์สมบัติท่านบอกว่าเอาไปตรึกสักคําสองคําที่เรื่องกามเนะี่ยที่ว่ากามเนะี่ยเป็นของขอยืมนตะท่านลองไปตึกดูที่มันขอยืมยังไงกาเหมือนโครงกระดูกลองลองไปตึกดูนะถ้าไม่ตึกก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกาเหมือนหอกเหมือนดาบเหมือนคบเพลิงเหมือน หลุมฐานเพลิงเนี่ยลองไปตึกดูสักคำานึงนะเรื่องเจริญพุทธานุสตีนี่นะครับถ้าท่านลองไปตึกดูนะเช่นความหมายของสัมมาสัมพุโทโธนี่นะครับตัดสรุปโดยชอบด้วยพระ อ, องค์เองพระ อ, องค์ตัดสรุปอริยสัจสีอริยสัจสีได้แก่ทุกขสั์ท่านลองไปตึกดูหน่อยเอะครับว่าทุกขษั์นั้นเนี่ยมันหมายความว่าอย่างไงโดยเฉพาะท่านเรียนพระพิธรรมมาแล้วนี่นะครับ ท่านจะเห็นว่าทุกข์ขสัตนนเนี่ยได้แก่อุปาทานขันห้าก่อนอื่นท่านจะตึกท่านต้องมีความรู้พอสมควรก่อนอุปาทานขันห้าได้แก่อะไรบ้างนะ้วก็เรียนมาแล้วกิจแปดสิบเอ็ดดวงเจตสิกห้าสิบสองรูปยี่สิบแปดทำไมจึงเป็นทุกข์หมาตรงนี้น่าคิดมากน่าตรึกมากทำไมถึงเป็นทุกข์นะฮะน่าคิดมากจริงๆ โดยเฉพาะจิตแปดสิบเอ็ดวงทําไมจริงเป็นทุกข์เราลองไล่ดูนะไล่จิตดูเราเรียนมันแล้วนะตั้งแต่อากุศลเจ็ดสิบสองนะทําไมโลภมูลจิตแปดดวงเป็นทุกข์ถ้าเป็นทุกข์ต้องไม่ใช่เป็นความสุขตรงข้ามกับทุกข์คือคือสุขใช่ไหมเพราะถ้าบอกว่าตรงนั้นเป็นทุกข์ต้องไม่ใช่สุขแล้วเราลองมาคิดดูว่าโลภมูลจิตแปดดวงเนี่ยมันไม่ใช่สุขยังไง พ่อโรภามันเป็นเรื่องของความสุขใช่ไหมความเพลิดเพลินความยินดีใช่ไหมครับแล้วทำไมมันเป็นทุกข์ได้ยังไงอันนี้น่าคิดนะฮะถ้ามันเป็นทุกข์ได้ยังไงโรภาบางดวงนั้นเนี่ยประกอบไปด้วยโสมนัสเวทนานะโอ้ยล่าเริงสนุกสนานเพลิดเพลินชมดอกไม้ชมสวนคุยกันสนุกสนานเพลิดเพลินและเป็นทุกข์ได้ยังไงพระพูทธเจ้ทรงตรัสว่าเป็นทุกข์ แล้วลองไล่ต่อไปนะครับโมหามุรจิตโทสามมุรจิสองดวงโอ้ทุกแน่นอนนี่ทุกทกะทุกทุกโดยตรงเลยอันนี้ตรึกง่ายตรึกง่ายใช่ไหมพอ โ, โมโมหามุรจิสองดวงนี่นะเออโมหามุรจิตมันยังไงเนี่ยเราคิดถึงความสงสัยก็ดีเรื่องอุทธจักก็ดีก็มาเกี่ยวข้องเนี่ยเออสองดวงนี่ยังนึกไม่คอยออกก็ตึกไม่ค่อยออกใช่ไหมโมหานี่มันมันเสื่อสาสานะผ่านไปก่อนก็ยังได้นะ แต่ว่าโทษารแน่นอนทุกแน่นอนใช่ไหมก็เชื่อ น, นะนะพอไล่มาถึงอเหตุกจิตสิบแปดวงเนี่ยมันทุกยังไงอเหตุกจิตสิบแปดวงนี่นะครับถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องของทวิบัญจัวิญญาณสิบนะ